พรเจ้าสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีพระสติปัญญาดีเมื่อสําเร็จแล้วเกิดมีความเบื่อตายต่อโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากโปรธโลกแต่พระองค์หาได้เป็นเช่นนั้นไหมเมื่มอสาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบางตอนต้นตอนตอน้ตนตน้ต น, ต น, ต น, ตนแปลกๆนั้นมาพิจารณาว่าธรรมะติทธาโลนี้มันเป็นของละเอียดสุก อยากหเวไน้สัจจะเพิ่งรู้ตามเห็นตามได้กางตั้งก็รู้สึภาวะท้อแท้ในพระไถ่ไม่อยา ก, ยากจ ะ, ะแสดงรู้จะไม่มีผู้รู้ทันหรือรู้ตามจนกระทั่ง ม, มีผู้กล่าวว่ามีเท่ามาหาพรหมลงมาอาลัชนาให้พระองค์ทรงสแสดงคำการจริงเท่ามาหาพรหมที่มามีมาอาราชนานั้น ก็คือกลบมวิหารที่อยู่ในพระไทยของพระองค์นั่นหองมากระตุ้นเตือนให้พระองค์รู้สึกสำนึกในจารีตประเพณีของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องมีเมตตากรุณามกขิตาอุเบกขาในบรรดาเวไนยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสิ่นประไทยแสดงพระธรรมเทศนาแก่เวไนยสัตว์ คุณได้ทำพ่อ น, นั้นจริงได้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข่อหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้งสามประการแล้วพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างไางจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในจมพูทวีปแผ่ขยายกว้าง f างมาถึงเมืองไทยเราเราได้รับเป็นฐานศาสนาญาติะพื่อิบัติูทุกวันนี้ พอคล่อดาที่ปิด พ, พุทธเจ้าสําเร็จเข็นแล้สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เบื่อหล่ายต่อการที่จะทําประโยชน์แก่โลกนั่นเองกาฉะนั้นผู้มีภูมิปีติภูมทําหรือมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้คนเห็นจึงไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายต่อโลกแต่ไม่ยึดถือโลกด้วย อ, อำนาจของจิตใจจะมีก็มีแต่ความเมตตา มีความบางทีเป็นอย่างโนหน้าคณะของท่านได้รับควรสมาฟังเทศฟังธรรมรับการอบรมสมาธิอยู่ก็จะถ้าท่านมีภูุงจิตปรุงธรรมจะต้องทําประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกตามสมควรอันนี้คือวิถีความรู้สึกภายในจิตของผูป้ปฏิบัติจะต้องเป็นอยางนั้น อาจจะพูดในชัดๆลงไปาหาสมมติว่าต่อบานหลังสมาธิภาวนาเป็นมีภูมิปิดภูมิทำเบืรอนายต่อครกบตัวอยากจะหนีจากครอบตัวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเมื่อบานภาวนาเป็นแล้วมีภูมิปิตภูมิทำเจอเบอร์นายต่อการที่จะทํากับข้าวกับปลาหุงข้าวหงกล า, หาให้ครอบตัวรับผิดอันนั้นจะไม่ถูก ดยเหผลในละธรรมเป็นภาวนาเป็นรู้รูปธรรมเห็นธรรมมีปู่มจิตภูมธรรม ด, ดีแต้เจ้ามีความรู้สึกสํเนึกในหน้าที่ที่ตนรับจิตสอบเป็นจิตสวัสดิ์ประจำวันดียิ่งขึ้นยกตัว อ, อย่างเช่นนางกุลธิดาเึ่นเป็นลูกสาวของเศรษฐีแล้วก็เป็นกระโธนราบันตั้งแต่ยังเด็กยังเล็ก บาเอื่นเพผลกรรบรรดาลได้ไปเป็นภรรยาของนายฟานผู้จับสัตว์ป่ามาขายในท้องตลาดทางทางด้วยท่านผูนั้นเป็นกะโสดาบันเวลาสามีของท่านจะเข้าป่าไปจับสัตว์ท่านก็เตรียมเสบียงอาหารให้เตรียมเครื่องมือให้จะภายในจิตของท่านไม่ได้ไม่กล้าให้เขาไปจับสัตว์มาให้ตายมากๆเกินกระทางนี้ เราสังกาัหาอาจารย์ตั้งเป็นปัญหาถามกันขึ้นมาการที่ประโสดาบันเราทำจึดนั้นจะไม่ผิดคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอัศกถาอาจารย์ก็แก่ว่าไม่ผิดเพราะท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดีอันนี้คือเป็นข้อจิกตัวอย่างเพราฉะนั้นผู้ใดสําเร็จคุณธรรม ในจะได้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของคนเมื่อมีปูณกิจภูมิทำตามสมควรก็ตามจะได้เป็นอรยอนิยะบุคคลอย่างที่ไม่มีใครรกกู้ประดับจอนจะมีความสลับในหน้าที่ที่คนรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างดีจึงจะได้ตัวเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัต่ชอบในเมื่จิตใปตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็น้อบ เรก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องกระพร้ากระตองจิตจิตจำลังดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่ถูกต้องจึงได้เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบด้วยสกานะชนิขอนี้ไปพอได้ต้นทำความสงบจิตพิจารณาธรรมที่ผมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วการพิจรารณาธรรมนั้นสิ่งใดที่เราพิจรารณาแล้วทําให้เราเกิดผล เกิดความรู้ความเห็นขก้นมาพอให้พิจรารณาอันนั้นซ้ำๆซากๆบ่อยๆ ย, ย้ำอยู่ี่ของเก่านั่นเนียอย่าไปเปลี่ยนเพื่อทําให้ํนานิสตานานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริ ง, รงแล้วภูมิจิตภูมิธรรมมันจะค่อยขยายวงกวา้างออกไปเป็นลำดับลำดับถ้บาจับโน้มวางนี่ไม่เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วจิตของเราก็จะกลา ย, าลายเป็น เอกเจตหลักหรือวิหารธรรมซึ่งอยู่ไม่แน่นอนการปฏิบัติก็จะไม่ประสบผลเท่าที่ควรตอนแสดงใครเึดหลักอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติก็ยึดให้มั่นคงลงไปเราจะพิจารณาหลายหลายอย่างในเมื่อความรู้ความเห็นติดึ้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนั่นเองอยู่ในลักษณะแห่งความรู้เห็นว่าไม่เสี่ยงเป็นทกเป็นกันนรตตาอันเดียวกัน เอาสิ่งสิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาเปิปล่อยเขาเมื่อเจตันโูเติงเขียนจริงในอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ขอมุตาทารความได้มั่นหรือมั่นไปที่เลรศัญหามันก็ค่องหมดไปเราจะนั่งตรงเจ็ดหลังให้มั่นคง คือว่าเราสามารถจ ะ, จะทำได้ทุกอิริยาบถหลับตาก็ทำได้ดึมตาก็ทำได้นอนทำก็ทำได้แต่เราไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาในใจเรากาหนดไว้ในกาว่ารู้อะไรใดจะตามรู้ให้มันทันตามคิดคิดอะไรขึ้นมาลู้ถันรู้ให้ทัน เราทําอะไรต้ให้มันทําการกระทํา้องเราจิตอะไรให้มันทันความคิดของเราปลุกอะไรให้ทันความคามําลุกของเราให้มีกติตอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นการทําสมาธิไม่ต้อง บ, บริกรรมภาวนาอะไรสักหนึ่งสำคัญอยู่ที่การทํากติเป็นอยางท่านที่สอนว่าน่างนอกินนอเดินนอยกนอก้าวย่างหนออะไรพวกนั้น อันนี้คือการทํำทำําสติเป็นการปฏิบัติสมาธิอย่าเอาไปเสียงกันนั่นแหละคือการทําทสติไปได้ในหลักมหาสติสถานที่ว่าก้าวไปก็รู้ลอยกลับก็รู้โคเยียบก็รู้แล้วเป็นนึกเสกอะไรก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกันนั่นละ อย่าไปเชียงกันใหนมันล้มปากการปฏิบัติถ้าโม่ไปเสื่อแคไหนกันนั้นปฏิบัติการจะบาปแทนี้จะช่วยกันทำป่าเจริญแล้วก็ไปทะเลาะกันความความี่เสรไม่ตรงกันอะไรต่างๆนี่อันนั้มันเป็นวิธีการแต่ผมที่มันเกิดขึ้นภายในเราจะรู้จริงเห็นจริงนั่นมันเหมือนการมองโดยอีกทางหนึ่ง อาจจะมาก็ไม่เข้าข้างใจรหรกนะมีตัวการว่าสอนให้ทําจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิการปรงใจเคยได้ยินใครปฏิบัติ ท, ทาจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนคนให้ทําจิตให้ว่างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราไม่ได้ต้องมิติใคร แต่ถ้าพู้สอนนั้นใช้คำว่าตรงทาจิตให้ว่างแล้วท่านจะสำเร็จนิพพานในช่วงที่จิตว่างโดยไม่ชี้แจงเกตุผลอันนี้ก็ควรให้ผู้ฟังเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ความจริงนั้นนักภาวนานี่ถ้าจิตไม่ว่างแล้วภรมทาจะไม่เกิดจะอยอมสมมติว่า เราอยากจะรู้ว่าอันนี้จังคืออะไรเร า, าติฐานจิตของเราเราปริกรรมภาวนาหรือพิจารณาถ้าในขณะที่เรานึกว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรอยู่นันเราจะไม่รู้ว่าอันนี้จังคืออะไรเมื่อจิตมันเรอยากจะรู้ต่เห็นน่ะปล่อยวางทุกอยู่ในรักนณที่ว่างเพราะว่างตั้งมหลแล้ว คำว่าอนิจจังคืออะไรมันจริงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะทำสมาธินี่ถ้าเราสามารถที่าาทจะทำจิตให้ว่างเป็นเหเ่งได้เมื่อไรแล้วเราจะไม่เกิดโคงความรู้ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องมีอาการรู้ว่างแล้วก็ว่างพักหนึ่งแล้วจริงจะเกิดโคงความรู้ขึ้นมาจะรู้อะไรก็ตามถ้าตามไปยังมีความอยากรูก้อยากเห็นอยู่จะไม่มีทางรู้เห็นได้เลยนอกจากเราจะเดาคาทเนเอง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 จิตของเราจะวูบว่างไปสู่ความสงบว่างเิดหนึ่งแล้วมันยังเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเพราะว่างปุ๊บจิตนิ่งอยู่ครับถ้าพักหนึ่งพอเปล่จิตไหวปุ๊บขึ้นมานิดหนึ่งจะรู้ทันทีว่าอาจจะมีคําตอบขึ้นมาว่าจิตจะตั้งค่าละตัวสังขารจะแท้จริงคือความปรุงของจิตมันจะบอกขึ้นไปจากนี้ ใจเราบอกจิตของเราที่มันว่างนะั่นแหลมันบอกขึ้นมามันเป็นภูมิรูปภูมิธรรมที่เราอาศใจสัญญาหรืออะไรต่างๆที่พิจารณานั้นเป็นแนวเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นภาพปฏิบัติเช่นอย่างเราจะพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหลังเนื้อเอ็นกระดูกของเรานี่มันเป็นของปฏิปุณหน้าเกลียดโตก็เราก็เนึกเอานึกเอาเนึกเอานึกเอาว่าเอาวา่าเอา ทีนี้เมื่อจิมันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วมันจะหยุดว่าจยุดนึกนิ่งตามนิ่งของจิตคือความว่างพอนว่างอยุดมาพักหนึ่งแล้วมันจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีมันจะเกิดเป็นนิมิตให้มองเห็นเป็นสิ่งที่ปฏิปูหน้าบเปือดเน่าเตยเผุพังขึ้นมาบางทีมันจะรู้แต่เพียงแค่ว่าใจน้อม น, นึกรู้ขึ้นมาว่าเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นแล้วแต่ความในใจของท่านผู้ใด <c oughs> เราจะนักการปฏิบัติธรรมนี่เราจะไปเกนให้ปุ่มจุดปุ่มใจนี่เดิมไปแบบเดียวกันรู้อย่างเดียวบันเห็นอย่างเดียวกันก็ม่แม้จะเเพียงแค่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาไม่เคยทําสมาธิอาตมาเคยถามให้พวกที่เข้าร่มผ่าตัดโรงพยาบาลผ่าตัดที่ถูกวางยาสลบเนี่ยเคยถามเขา บางคนถามว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้ น, า น, นถามรู้สถกคนจะอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ที่ไหนแต่บางคนมาถามเราเขาจะบอกว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นจิตมันมีอาการวูบๆๆๆกไปแล้วก็ออกจากร่างตลองอยู่กัาง้าจมันก็ส่งกระแสะมารู้ก็หมอก็ทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเรามันก็รู้อยู่ตลอดเวลา บางทีมันก็มองเห็นโครงกระดูกอของตัวเองเหมือนนนี่มันมันเพื่อนทางตองจิตตั้งเดิมเนี่ยมันต่างกันอย่างบางท่านพอมาบริกรรมภาวนาเข้านิดห่อยจิตสงบเกิดสว่างขึ้นก็รู้ทำเห็นทำไปอย่างสบายสบายบางท่านบริกรรมภาวนาทั้งห้าหกปีจิตไม่เคยสงบเป็นสมาธิกม็มีแต่ก็เพอาศัยศัทธาปัญเทื่ยมันในการปฏิบัติก็ทําไปไม่หยุดหย่อน เราจะไปเกินไม่ได้หรอกลักษณะสังเกตของการทำสมาธิเนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่า <c oughs> เราทำสมาธิที่ถูกต้องหรือปรุงจิตให้มันเป็นสมาธิที่มันถูกต้องนั้นจะมีลักษณะบ่งบอกว่าสมาธิจะต้องทำตายให้เบาทำจิตให้เบา เบาจนกระทั่งบางครั้งไม่รู้สึกว่าเรามีกายมีลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องแล้วเมื่อเลิกปฏิบัติเพื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ทำให้กายเบาตลอดเวลาแม้จะลุกจากที่นั่งเนี่ยอาการเหน็บชาหรืออะไรต่างๆจะไม่ปรากฏ พอเสร็ออกจากสมาธิเดินตาเต้นเข้าอนขึ้นมาแล้วก็ลุกเดินไปได้เลยไม่ต้องมาดัดแงแดัค่าอันนี้คือสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทีนี้สมาธิบางอย่างอพอเดินตาเต้นออกจากที่นั่งปฏิบัติแล้วบางท่านถึงกับนอนให้คนอื่นโนดเส้นโนดมเอ็นก่อ น, นอันนี้ไม่ถูกต้องแน่สมาธิแบบนี้คล้ายๆก็ว่ามีอํานาจอะไรสักอย่างหนึ่งบงังคับ จะเรียกว่าอำนาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมันมีหลายอย่างสะกดด้วยอำนาจคาถาพรมคำบริกรรมภาวนาก็มีอย่างคนที่ปลุกจ้าเนี่ยพอจ้างไถ่มือแล้วเปล่าวาธนาลัมมาปัตตาลัมมาปัตตาเดี๋ยวประการสารเสร็จ น, น, น, น, นี่ปลุกอำนาจสะกดจิตแล้วอำนาจอะไรอำนาจคาถาบริกรรมภาวนา อาถาในทางเศษศาสตร์บางอย่างบริกรรมภาวนาแล้วมันจะทําให้เกิดปีติอย่างแรงอาการสั่นนั่นคืออาการปีติทีนี้ปีติมันเอจอเจ้นอย่างแรงอย่างไม่มีขอบเขตมันก็มีอํานาจบังคับจิตของเราบางทีบังคับจิตของเราเขาจะดูโนด่ดูนด่อะไรที่ไหนต่างๆในทำเรานั่นใครทําได้ก็ดีกั่หลอกแต่ว่าอย่าไปหลงแต่มันรู้เท่า ถ้าใครมีปัญหาสงสัยนะเวลามาพบ ก, กันอย่างนี้ก็ถามแก้ได้ก็จะแก้ไม่แก้ว้แก้ไม่ได้ก็ตบปากเอาไว้ให้ผู้ถามไปแก้เอาเองอัปปนาสมาธิกับอัปปนาาปอัปปนาสมาธิอัปปนาทาน ลักษณะความสัมผัดในการจิตแล้วเหมือนเหมือนกันแต่อปนาฌานนั้นมันมีลักษณะของความสงบของจิตที่ไม่ได้เดินตามลักษณะองค์ฐานเดี๋ยวก็ฝึกภาวนาแล้วจิตม่นสงบก็ลงไปมันข้ามขั้นเป็นฌานที่ข้ามกันไม่ได้เดินไปตามลำดับ ลักษณะของการเข้าฌานนี่จะต้องเข้าไปตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ฌานขั้นที่สี่นั่นแหละคืออัปปนาสมาธิอัปปนาฌานแต่อัปป น, นาสมาธิอัปปนาฌานนั้นมันเป็นฌานที่ไม่ประกอบด้วยองค์ไม่ได้ผ่านองค์ของฌานมาจึง อ, อ, อยู่ในเกณมที่เรียกว่าเรียกได้การเพลียงแค่อัปปนาสมาธิ ที่อัปปนาชาณ น, นั้นก็คืออัปนาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาโดยลําดับตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกับขาตาฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารปีติสุกเอกับขาตาอยู่จรบานที่สองวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติกับสุกเอกับข่าตา ทานขั้นที่สามตี 4, หายเหรือตีสุกกับเอกคตาทานขั้นที่สี่สุขหายเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาแล้วก็เข้าไปสู่ทานขั้นที่ 4, สี่ เ, 4, เรียกว่าอัปปนาถ้เาเรียกว่าถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่ผ่านองค์ทานมาเรียกว่าเรียกว่าถ้ัปปนาทาน ทีนี้อัปปนาสมาธิที่ไม่ได้านองค์ฐานเรียกว่าอัปปนาสมาธิเสติจิวบุบนั่นคือพวังใช่ป่ะบคือช่วงว่างของจิตอย่างเราภาวนาผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตผู้โตแล้วพจิตทาเท่าทาท่าจะสงบต่มันผู้โตผู้โตผู้โตจิตเข้าอยู่กับพุโธ แล้วระหว่างที่จิตมันจะปล่อยพุโทโธนี่ไปถึงสู่ที่สงบนิ่งช่วงกลางนี่มันว่างความว่างนี่เรียกว่าเขาวังทีนี่เขาวังคือการก้าลงต่ำจิตในเมื่อจิตตกเขาวังวกลงไปพอวกนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่มีลักษณะต่อตามตวังคือความพร้อมของจิตไม่เพราะ อ, อ่าไม่ได้พร้อมที่จะตื่น ก็เป็นการหลับไปอย่างธรรมดาเป็นอย่างวงกลงไปแล้วหลับเมือ่อไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้พอวกกลงไปนิ่งพักเปิดสว่างต้งขึ้นมาอันนี้ก็เนี้เป็นสมาธิแบบปุป๊บๆุแต่ว่าใครทำได้กนนี้ทำมามาาๆไปหลายครั้งหลายผลแล้วมันก็ไต่ตำนานขึ้นแล้วก็จะติดต่อกันเองอันนี้เรากำหนดตอนระหว่างกลางนี่ไม่ได้ ตั้งแต่วิจารณ์กับอัปปนาสมาธิเนี่ยท่วงนี้มันว่างเรากำหนดไม่ได้ว่าจิตต้องเรานี่มันผ่านอะไรบเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เราเรียกได้แต่อัปปนาสมาธิ เ, เองระวางในสี่ช น, นิรัะ แต่ระวังเล่ามในคัมภีร์พระพิธามั้ท่านเขียนไว่มากมายแล้วเกิดแต่ขอออกตัวว่าไม่เคยท่องจำาเไระค่นั้นเองไม่ขอต่อระวงังคาจนะารณะภวังอะไรต่ออะไรทว่าของขันไว้มีมากมายก็เคยอ่านผ่านๆเหมือนกันสำหรับผู้ที่ จะจดจำมาไปเป็นผู้เผยในการผู้การสนทน า, าก็ได้โปรดเปิดตำราของพระอภีธรรมแล้วต้องจำเอ า, า, า, า, า, า, าเาคิดประทาที่รู้สึกตัวและรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ตัว ในเมื่อผู้ภาวนามาทํำจิตให้เกิดมีสติสัมปชัญญะสามารถระคับระกองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้เจตที่ประกอบด้วยสติสติเป็นจุดัวเจตสิหรือคนทธ่ทำเป็นเครื่องอยู่ของจิตสิ่งนั้นเป็นเจตสิกรามหลักวิชาท่านก็บอกว่าทำที่ประกอบกับจิตเท่ากับเจตสิก อันนี้หมายถึงว่าคนนุณนธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องอาศัยของจิตอาทีที่เรียกว่าเป็นคุณนธรรมนั่นเป็นอย่างความรู้สึกในกุศลตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเ จ, จตสิกอันหนึ่งความรู้สึกในอกาาุศลตลอดเวลาก็เป็นเ จ, จตสิกอันหนึ่งเช่นอย่างจิตของเราเนี่ยมันหนักไปในความโลภความโกรธความด ยกตัวอย่างเช่นอย่างความโกรธเนี่ยในเมื่อมันกระทบตั้งเข้าไปบางครั้งเราไม่อยากรบเลยแต่มันก็โกรธมันก็อดโกรธไม่ได้สึงใดที่สามารถมีอํานาจที่จะปฏิวัติจิตของเราให้ไปสู่ความเป็นตามอํานาจของเขาอันนั้นเรียกว่าเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกติเส้นจิตมีสติจิตมีสัมปชัญญะ จิตมีสมาธิจิตมีวิริยะมีสติ ม, ม, ส ม, ส ม, สมีสมาธิปัญญ า, าซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปเองโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าเจาตาสิกทั้งนั้นเป็นอย่างตาเห็นโลกโดยความรู้สึกขึ้นเป็นเจาตาสิกอันนั้นไม่ถ สิ่งที่เป็นผลเกิดจากความดีคือการปฏิบัติเนี่เป็นอย่างกายเป็นเครื่องรู้ควาจิตในเมื่อจิตรู้แจ้งเหจริงในกายก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสติปัญญาอันนี้เป็นเจตสิก ถ้าทมาถกเสียงกันหรือสนทนากัน <c oughs> ส่วนมากนั้นมักจะหนักไปในทางภูมิทุกภูมิรู้ด้วยปัญญาที่เราทรงจำด้วยสติปัญญาที่เราทรงจำหรือด้วยสัญญาที่เราทรงจำสำหรับในแง่การปฏิบัตินั้นเรามุ่งที่จะพูดกันในแง่ประสบการณ์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 ไอ้ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรทางปริยัตินี่นักปฏิบัติโดยส่วนมากไม่ค่อยจะได้จดจำแม้แต่ท่านผู้หลักผู้ใจญ่ซึ่งขอจะให้ออกประนามของท่านน่ยเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใจเหนือบางทีท่านก็ถามว่าธรรมะที่เกิดกับใจแม้ว่าเราจะไม่รู้ซื่อของธรรมะนั้น แต่ธรรมะนั้นสามารถทำจิตให้สงบสว่าง ร, รู้จริงจิตจริงได้อยู่จะถือว่าเป็นการใช้ให้ได้หรือไม่อันนี้เป็นคาถามของของท่านผู้หนึ่งซึ่งขอสม น, น์นาทีนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติไม่รู้จักเจ้อของธรรมะ แต่ก็สามารถที่ทําจให้สงบสวา่างมีความเยอกเย็นรู้จริงเห็นจริ ง, ร ง, รงได้ธรรมะอ น, นั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของการรู้จริงเห็นจริงในธรรมะชั้นสูงเช่นอย่างสมมติว่า <c oughs> มีใครสักคนหนึ่งยกสำํำลักกับข้าวนานาชนิดถือว่ากับข้าวมันมีหลายอย่างเขายกกระวางลงตรงหน้าเราเนี่ย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 ถ้าหากว่าใครสามารถถอติดของตัวเองเนี่ยออกไปลายเด่นอยู่บนอากาศแล้วจิตมองมาดูร่างกายของตัวเองเนี่เห็นร่างกายมันเน่าเปื่อยผุพังลงไปจนกระทั่งมองเห็นโครงกระดูกร โ, โครงกระดูกมันละเอียดลงไปไม่มีอะไรเหลือโดยที่จุดแม่โลกที่มองเห็นอยู่เป็นที่อาศัยนื้อก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตตัวเดียวทีนี้ถ้าใครทําจิตให้ มีภมรู้ได้ถึงขนาดนี้แม้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ตัมจะหายสงสัยในคำว่า ย, ยังรินจิตกมุตยากทำมังสะพันตังมี่รู้ถ้าทำมันติทันที